ว่าจะไปต่อท้ายครับสักอีกสักเจ็ดแปดปีครับือจะไปต่อท้ายลงรายชื่ออยู่วัดต่อยครับอ๋อไปสิไปถึงถึงตอนนั้นหลวงพ่อยังสอนไหวอยู่ไหมครับหลวงพ่อจะอยู่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเข้าอะไรกันโลกเราอาจจะเปลี่ยนใจไปแล้วก็ได้อาจจะไปมีเมียห้าหกคนแล้วไม่อยากอยู่วัดแล้วครับจะปฏิบัติไปเรื่อยๆครับดีแล้วจาหลักให้แม่นนะแต่ภาวนาไม่ยากหรอก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 ที่ไม่ใช่เพราะจิตมันมีโมหะดูออกไหมมันมัวมัวค่ะแล้วก็ทําไงดีมันมัวก็รู้ว่ามันมัวตอบตามสูตรรู้ว่ามัวใจเนี่นะไม่ได้ชอบมันเลยเห็นไหมให้รู้ทันว่าใจไม่ชอบนี่ถ้ามาตอบว่ามัวแล้วรู้ว่ามัวอันนั้ตอบตามสูตรเมื่อเช้าที่หลวงพ่อเทศว่าให้รู้ตัวเนี่ยในสามการนะคะ แล้วเมื่อวาหนหลวงพ่อแนะนําว่ายังไงก็สมควรที่จะให้เดินเป็นหลักนะคะก็ได้ข้อสังเกตนะคะว่าเมื่อเช้าตอนที่นั่งมันควานหาจริงๆอะค่ะแต่ถ้าเกิดเดินเนี่ยมันก็ไม่ได้ตั้งใจจะควานเ ด, วเดี๋ยวก็ลู่เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ก็รู้สึกว่าวเดินบ่อยๆค่ะเดินบ่อยๆค่ะอ้าวมุกตอนนี้ทั้งกังวลทั้งตื่นเต้นแล้วก็ บ, บังคับไปหร อ, อไปกังวลอะไรนักหนาไม่อยากกลับไม่อยากกลับบ้านเสร็จบวชชีไหมอยู่วัดก็ไม่เอาอยากกลับบ้านกไม่อยากนะกิจใจแล้วก็หลวงพ่อคือหนูติดอะไรอยู่หรือเปล่าหนูไม่ติดหรอกนะหนูยังต้องขยันดูไปเรื่อ ย, อยติดขี้เกียจหรือเปล่าขี้เกียจขยันดูไปเรื่อ ย, อยนะดูสม่ำเสมอ ถ้าเรามีอายุตามมาตรฐานเฉลี่ยนะยังมีเวลาอีกเยอะแต่อย่าขี้เกียจเวลาเยอะๆเนี่ยเอาเวลาภาวนาไปเรื่อยๆนะชีวิตเราจะได้พ้นทุกเวลาที่เหลือจะได้มีความสุขเยอะๆเมืองคนไปภาวนานได้ตอนอายุเยอะแล้วมีเวลามีความสุขนิดเดียวเองนะวันเดี๋ยวพอแก่ลงมานะมันก็สุดโสมไม่แข็งแรงเหมือนตอนนี้ตอนนี้แข็งแรงนะเวลาก็ยังพอมี เทานาไปบ น, นยังคนที่อยู่วัดมีใครอีกไหมที่อยู่วัดอา้าวร้อยแปดชื่อไรลืมแล้วพูดใม่ครังไม่ได้ยินเราแก่แล้วกราบน้ำรส ก, การหลวงพ่อครับเล็กครับอขอคําเมตตาจากหลวงพ่อครับต้องทําอย่างไรบ้างครับตอนนี้เดีย๋ยวไปบังคับมันสินะยังบังคับดูดูออกไหมอย่าไปกดมันไหม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 อา้าวดอนนับมาตรการพระอาจารย์ครับผมคือวันนี้รู้สึกว่ามันจะมีโมหะ<ม>ค่อนข้างเยอะเพราะ<ม>ว่าขับรถมาแล้วก็มันมันจะมัวม ว, ม ว, มวนิดนหน่อยอไม่เป็นไรนะครับตัวสําคัญคือรู้ด้วยควาเป็นกลางมีโมหะก็ได้อาจารย์จะเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับมีโมหะแล้วรู้ไปนะครับมีอะไรเกิดขึ้นกับปัจจุบันรู้ไปเท่านั้นเองรู้กายรู้ใจ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 มันถี่มากใช่ไหมคะแล้วมันเหมือนกับเราไปเพ่งมันหรือเปล่าคะหรือว่ามันรู้สึกตัวได้จริงๆถ้าเราเพ่งนะสังเกต ง, ง่ายๆเลยใจเราจะหนักค่ะถ้าเรารู้สบายสบายใจจะเบาอย่างขนาดเนี้ยเพ่งอยู่รู้สึกไหมกดมอยู่ด้วยค่ะอใจมันจะหนักๆพวกเพ่งพวก ก, พวกกดพวกประคองพวกบังคับเนี่ยกลุ่มเดียวกันค่ะกลุ่มเข้าไปจัดการอีกพวกหนึ่งคือหลงไปถ้ารู้จักสองอันนี้แล้วก็ภาวนาไม่ยากหรอก ทางสายกลางก็คือไม่หลงไปแล้วก็ไม่ไปเพ่งเอาไว้เห็นตอนนี้หลงแล้วรู้สึกไหมรู้ค่ะนะไปฝึกเก่านะคุณค่ะเบ อ, อร์สามกับนวมัสวการหลงพ่อค่ะคือหนูนั่งสมาธิแบบสมถะมาตลอดก่อนนั่งก่อนจะทําแบบหลวงพ่อก็คือจะนั่งแบบให้ใจสงบอค่ะนั่งแบบสมถะแล้วก็เอาของหลวงพ่อไปใช้เป็นระยะระยะค่ะเพราะว่ายังคุ้นกับของเก่าอยู่อยากให้หลวงพ่อช่วยเนี่ยเอาหลวงพ่อไปใช้ทําอะไร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 เรารู้สึกกายคอรู้สึกใจเราดูกายดูใจตามความเป็นจริงไม่ได้เพราะสองอย่างอันหนึ่งหลงไปเผลอไปรู้จักใจลอยอยังรู้จักค่ะเห็นไหมขณะที่ใจลอยเราลืมกายเราลืมใจนึกออกไหมนึกออกค่ะแล้วก็ถ้าเพ่งเอาไว้กายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่มีอะไรให้ดูนะงนั้นสิ่งที่ผิดมีสองอันเผลอไปกับเพ่งเอาไว้ที่ผ่านมาเราเพ่งมาตลอดแต่เป็นนี้เราปล่อยให้มันทํางานบ้าง ถึงเวลาที่ใจฟุง้งซ่านจริงๆเราก็ทำความสงบเข้ามาแต่พอสงบแล้วนะไม่ให้ติดอยู่ในความสงบให้คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเห็นกายเห็นใจทำงานบ่อยๆนะอย่างตอนนี้ประคองไว้ละรู้สึกไหมรู้สึกค่ะนะต้องปล่อยนะถ้าปล่อยล้วก็จะเห็นใจรักได้ค่ะเอาเบอร์หกห้าอยู่ข้างหลังกาพิธมรดกหลวงพ่อค่ะ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 กืไปแล้วนะรู้อย่างนี้เขาเป็นนะดูเ้าทํางานไปเรื่อยใจไหลไปคิดแล้วทราบไหมทราบค่นะนะเนี่ยให้หัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆนะค่ะไปฝึกเอาหนึ่งหนึ่งหนึ่ ง, งอยู่ที่ไหนอยู่ข้างหลังข้างหลังกราบนมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะมาให้หลวงพ่อสอนนะคะ <c oughs> เหรอนู้ว่าจะมาสอนหลวงพ่อบ้าง <c oughs> แล้วไงเหมือนดูจิตไม่เป็นนะคะหรือว่าไม่แน่ใจว่าโกรธเป็นไหม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 ควรจะปฏิบัติแบบนั้นอยู่หรือไม่แล้วก็ไม่ทรบาบว่าถ้าจะทําเวทนาต้องทําฌานก่อนนะต้องทาจิตจนี่ยตั้งมั่นเป็นหนึ่งจริงๆถ้าไม่ได้ทําฌานไว้ก่อนเนีย่ยจะดูกายและเวทนาได้ไม่ดีเพราะกายและเวทนาเนี่ยเหมาะ ก, กับสมถญาณิกถ้าอยู่ๆไปนั่งดูเวทนาเลยไม่ได้กินออกใจจะฟุงนะ้งซ่านนะเมื่อเราก็ต้องดูก่อนเ ร, าเร า, ร า, าเราทำสมถะได้ไหมถ้าเราทําสมถะได้เราทําความสงบเข้ามาจนใจเราตั้งมั่น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 แล้วก็ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยทำไมจะดูจิตไม่ให้ไปทำฌานก่อนถ้าทำฌานก่อนนะจิตจะนิ่งลูกเดียวเลยไม่มีอะไรให้ดูไม่มีความเปลี่ยนแปลงให้ดูในจิตของมนุษย์ธรรมดานีเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรามีสติตามดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่ามันบังคับไม่ได้มันม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แต่ถ้าไปเพ่งทาความสงบเข้ามานะจิตไม่เคลื่อนไหวดูยาก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 กายก็ส่วนหนึ่งเวทนาเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่แอบเข้ามาอยู่ในกายเวทนาไม่ใช่ร่างกายนะนี่ต้องค่อยๆหัดแยกกันค่อยๆสังเกตเอาก่อนนะถ้าแยกได้ก็พอจะเดินต่อได้เพราะใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาตอนนี้ใจแอบไปคิดซราบไหมทราบค่ะของคุณนะดูจิตไปของคุณดูจิตได้ชัดนะวัยยี่สิบแปดกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ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 ก็ใช้ได้ค่ะพอเมือม่อเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมามีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะก็มีความสุขก็รู้สึกว่าจิตใจเบาสบายขึ้นก็รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเบาๆอย่างเช่นคุณแม่หลงไปก็รู้เบาๆไม่ได้กังวลลูกชายหลงไปอีกคนนึงก็รู้เบาๆอะไรยเงี้ยค่ะหลงทางไหนหลงทางจิตหรือหลงทา ง, ทงร่างกายเขาเขา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 ความสุขนะทำให้เกิดสมาธิความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะพระพิธามสอนไว้องนั้นงั้นถ้าเราเลือกอารมณ์ที่มีความสุขนะใจเราก็จะสงบใจสงบแล้วเราก็ค่อยรู้เอาเห็นความเคลื่อนไหวเห็นความเปลี่ยนแปลงเนดูง่ายแต่ว่าความสุขอันนั้นต้องเป็นความสุขที่ไม่ผิดศีลนะเออถ้ามีความสุขก็ได้ด่าคนทุกวันมีความสุขมากเนี้ยจิตไม่สงบ ต้งเปนความสุขที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมยังไปทัศนาจรไม่ผิดศีลอะไรเป็นค า, า, ารวนะไปเที่ยวแล้วก็มีความสุขแล้วก็เราเคยฝึกสติมาแล้วใจมันก็ทํางานแล้วก็คอยรู้คอยเห็นเอาที่พอนาใช้ได้แต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้ตอนนี้เริ่มเพ่งและวหลวมไหมค่ะนะไปฝึกเอานะจิตเปลี่ยนแปลงไปในทางดีใช้ได้ล้วกลับขอบพระคุณค่ะเบ<ม> <100. S 1> อร์หนึ่ง้อยเอ่อประธานโทษค่ะมีอะไรที่หนูจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมไม่แก้นะฝึกไปเรื่อย แล้วก็มีโอกาสเก็ไปเดินจงกรมเล่นเดินจงกรมเล่นนะมีคำวา ม, มาเล่นด้วยไม่ใช่เดินจริงจังอีกเครียดเอาหนึ่งร้อยเชิญหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมมีอยู่ช่วงหนึ่งดูแล้วมันนิ่งแบบไม่มีอะไรจะดูแล้วเจ้าค่ะก็จะเห็นว่ามันสันๆอยู่นิดนิดแล้วก็ตาหลังก็แบบไม่มีอะไรดูก็เลยร้องเพลงไงเจ้าค่ะ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 มันจะใกล้ๆจะจบประโยคอะไรเงี้ง <ๆ S 2> ยจ้าค่ะทีนี้ <ๆ S 2> ตอนหลังเนี่ยเออมันก็เหมือนตั้งใจจะตื่นเป็นสมถะใช่ไเจ้าถ้าตั้งใจตื่นใช้ไม่ได้ละโลภะมันแทรกแล้วไม่ตื่นหรอกค่ ะ, <น>ะแล้วก็ตอนหลังจากนั้นอีกก็จะรู้สึกว่าตื่นเพราะว่ามีกระแสความคิดเข้ามาแทรกฉะ น, นั้นใช้ได้ไปร้องเพลงอีกรร้องเพลงแล้วใจหลงไปเรารู้ใจหลงไปรู้อย่างนี้บ่อยๆนะ S <S ต่อไปเวลาเราอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยพอใจเราหลงไปเนืสติมันเกิดเองแหละแล้วก็ตอนหลังพอดูความอยากร้องเพลงมันก็จะความการอารมณ์มันก็จะเบาบางเป็นจืดไปเลยจ้ะค่ะนะนดูอย่างนั้นดูไปเรื่อยๆเอาต่อไปยกมือเอาพวกข้างหน้าก่อนสี 43. 43น่สิบสามสี่สามเชิญขอหลวงพ่อช่วยตักเตือนหน่อยครับตักเตือนเหรอ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 อีกจิตที่เกิดที่ตาก็ดวงหนึ่งจิตที่เกิดที่ใจก็อีกดวงคลนละนครับ น, นี่ยมันเกิดดับดีแล้วเคยเรียนอภิธรรมมาตั้งเจ็ดปดปีไม่เคยเข้าใจสภาวะธรรมเลยไม่ไม่เข้าใจหรอกมาเรียนกหลวงพ่อได้ปีหนึ่งถึงจะรู้ว่าพิธรรมจริงๆเป็นอย่างไรที่หลวงพ่อสอนนั่นคือตัวอภิธรรมแล้วอภิธรรมแท้ๆเลยตอนหมดนะเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพานเรื่องของสภาวะใช่ไม้มเรื่องวิถีครับเนีเรื่องอะไรเหรอสมถะวิปัสนา ับเรื่องปัจจัยการสอนหมดเลยดังนั้นที่เราภาวนาอยู่นี่เรื่องอริธรรมเท่านั้นหลวงพ่อครับที่นี้ตัววิธีจิตเนี่ยจิตที่มันเกิดขึ้นดับไปเช่นพวกสัมปติชนนะสันติระนาอะไรพวกนั้นเนี่ยการที่เราจะเห็นมันจะเห็นมันเองใช่ไหมครับเห็นเองนะเห็นได้เห็นเลยเห็นกระบวนการเลยอย่างตามองเห็นรูปเนี่นะมันจะรับสัญญาณกันแล้วมันจะส่งมาที่จิตรับก่อนนะแล้วส่งรับมีการรับการส่งจริงๆส่งสัญญาณครับ ส่สัญญาณขึ้นมาแล้วจิตจะไปพิจารณาแล้วไปตัดสินแล้วก็เกิดชว น, นาจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเกิดตาารามา น, นาจริงๆครับจะเห็นกระบวนการเลยคนที่เห็นได้นี่เยอะแยะล้วแต่ว่าเขาพูดไม่เป็นเขาเรียกชื่อไม่ถูกเท่านั้นเองครับแ ต, ต้องเห็นนั่นแหละรครับแต่ขึ้นวิถีก็ไม่ใช่ว่าตามมองเห็นรูปแล้วจะต้องขึ้นถึงจิตทุกทีใช่ไหมครับบางรูป ก, กระทบที่ตาแล้วก็จบไปเลยครับบางรูปแค่ไหวขึ้นทางมโนทวารแล้วก็ดับไปเลยครับ S <S <an> บางบางบางวิถีไม่ไม่ขึ้นวิถีบางบางช่วงครับจิตทํางานขึ้นทางมโนทวารล้วก็ดับไม่ขึ้นวิถีก็มีขึ้นวิถีแล้วขึ้นทางปัญจทวารก็มีขึ้นโดยตรงทางมโนทวารก็มีครับ <S <S <an> <S ขึ้นจากปัญจทวารแล้วต่อกับมโนทวารก็มีอีกมีอีกสารพัดเลยครับเวลาตื่นกับเวลาหลับก็ขึ้นวิถีคล้ายๆกันหลวงพ่อพระบ๊วยเวลาที่เราเห็นเนี่ย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 ครับเพราะว่าเรียนมากแล้วมันจะไปคิดนําครัำดูของจริงครับหลวงพ่อตอนฟอนามไม่เรียนอภิธรรมนะเรียนจากของจริงจาภาวะแท้เลยพอเข้าใจแล้วเนี่ยถึงไปเทียบกับอภิธรรมดูเพื่อจะหาบัญญัติมาใช้เรียนอภิธรรมเพื่อจะสองอย่างนะหนึ่งทดสอบนะปริยัติกับปฏิบัติต้องตรงกันถ้าไม่ตรงกันมันเพี้ยนละแต่ต้องระวังนิดนึงปริยัติที่เฟอร์ไปมีครับปริยัติที่เพี้ยนเพี้ยนมีนะอย่างเรื่องภูมิจัตุกะเนี่ยมีเพี้ยนเต็มเลย ครับเหรียนหนึ่งออกใช่ไหมดินหนาเท่านี้หินหนาเท่านี้ชั้นน้ําเท่านี้ชั้นลมเท่านี้ครับสวรรค์ชั้นนี้ห่างกับชั้นนี้เท่านี้โยอดเท่านี้ยอดอ็นี่คิดขึ้นมาเลยพระได้เจ้าไม่ได้สอนหรอกครับแล้วในความเป็นจริงเวลาจิตจะข้ามจากภูมิหนึ่งไปภูมิหนึ่งนี่นะไม่ได้มีระยะทางว่าจิตวิ่งไปสองแสนสี่หมืนยอดทะลุไปภูมินี้ภูมินี้เมื่อไหร่ล่ะมั่วขึ้นมาเองเลยนั่นแหละพวกโรคแบ นั้นเรียนเ้าเรียนให้ดีนะเพราะคาสอนดั้งเดิมเนี่ยใช้ได้เป๊ะๆ เ, เลยคําสอนที่แต่งขึ้นที่หลังเนี่ยเพี้ยนเยอะเลยคฝึกเอาหนะักฝึกเอาร้อยยี่สิบการอุปสารหลวงพ่อคะ่ะเก็มาเรียนกับหลวงพ่อได้เกือบหนึ่งปีแล้วนะคะสังเกตไหมจิตเราไม่เหมือนเดิมคดูออกไหมมันโปร่งมันโลง่งมันเบาขึ้นค่ะมันสว่างขึ้นมาค่ะ <ด>แล้วก็<ด>แล้วก็จะเห็นที่ความความเจริญแล้วก็เสื่อมอย่างที่หลวงพ่อเคยบอกอะคะ<ช>่ะจะเป็นช่วงๆแล้วก็จะเป็นเป็นได้บ่อยมากค่ะจะเห็นวง<ด>จรเยอะมากนะแต่ก่อนหลวงพ่อภาวนาณานะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยจเจริญแล้วเสื่อมหนึ่งรอบบางคนยาวกว่านี้บางคนสั้นกว่า น, นี้ <c oughs> แต่พอเราภาวนาชํานาญเราเห็นเลยจเจริญแล้วเสื่อมอยู่ตลอดเวลาเลยนะ <c oughs> อันไหนเกิดอันนั้นก็ดับเพ้าเรียกว่าจเจริญแล้วก็เสื่อมเลย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 ถ้าประคองไว้ใจมันไม่โปรงเจ้าค่ะแล้วก็สองเดือนที่ผ่านมามีสองตัวที่มันเด่นอะนะเจ้าค่ะก็คือตัวอัตตาหนูเห็นมันเยอะมากจนจนเห็นกระทั่งว่ามันอะไรอาวรในในกิเลสในวัฏสงสารแต่ว่ามันก็ดูสนุกมากเลยเจ้าค่ะแล้วก็โดนมันหลอกด้วยเจ้าค่ะได้แหละผลัดกันนะโดนมันหลอกมั่งสู้มันได้บ้างแล้วหลังจาก น, นั้นอีกสองสัปดาห์ก็ไปเห็นหนูเห็นหลวงพ่อชี้ให้ดูตัว ไม่เป็นกลางมาประมาณตั้งแต่เจ็ดแปดเดือนที่แล้วนะเจ้าค่ะก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างเห็นแต่ตัวใหญ่ๆแบบยาแต่ว่าเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยไปไปเห็นอยู่ครั้งหนึ่งแล้วมีความรู้สึกว่าความไม่เป็นกลางอันนี้นี่เองมันเป็นฐานของความเป็นเราอ่ะเจ้าค่ะใช่แล้วก็แล้วก็ใจมันก็สะเทือนแล้วมันก็เศ้าๆแล้วก็หลังจากนั้นมันจะเริ่มเห็นตัวไม่เป็นกลางที่บางๆได้บ่อยขึ้นนะเจ้าค่ะก็ดีนะภาวนาใช้ได้ล้ว เจ้าค่มีจริงใดจะกระโดนาตักเด็ดดูต่อไปครทำถูกต้องแล้วขอบพระคุณเจ้าค่ะหนึ่งสามเจ็ดปรานอ่ะว่าไปคือไม่ได้ส่งกันบ้านมาประมาณเกือบสี่เดือนนะครับหลวงพ่อมันก็มีขึ้นขึ้นลงลงแต่ว่าโดยโดยเทรนไหมว่าเราดันจิตเราขึ้นมานิดหนึ่งแล้วมันอัพขึ้นมาดินมันอัพขึ้มานะให้เรารู้ทันแล้วไงโดยโดยเทรนแล้วก็รู้สึกว่ามันมันดีขึ้นตรงที่ว่ามัน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 ซึ่งมันขุนๆ<ม>จ่ว่าขุนก็ไม่เชิงครับผมว่าแต่ว่ามันก็ไม่ใส<ม>แล้วมันก็มันก็ไอเนื้อเนี่ยมันมีขณะนี้มันมีสภาวะที่มันนวล น, นวนแวแวแวอยู่ครับมันเห็นอะไรไม่สำคัญหรอกครับมันสำคัญที่ว่าเมื่อไปรู้แล้วจิตเราเป็นยังไงเห็งไหมเราไปเห็นละเอียดละออแล้วจิตเราภูมิใจถ้าเราไม่เห็นว่าภูมิใจนี้เสียท่าล้ครับนะนั้น ไปรู้ไปเห็นอะไรไม่สําคัญหรอกแต่ว่าเมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วจิตรเราเป็นยังไงให้รู้ทันนะจับหลักนี้นะครับลหลวงพ่ อ, มอผมอยากออขอความรู้เกี่ยวกับการละพุทธภูมิครับหลวงพ่อครับการละพุทธภูมิทําไมลราเราเป็นพระโพธิสัตว์หรอคือผมไม่ไม่ทราบหรอกครับหลวงพ่อครับเพียงแต่ว่ามันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ซึ่งทําให้ผมมันรู้สึกว่า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 แต่ถ้าถึงเวลาจิตมันไม่ยอมมันกังนะวลตรงนี้ครับอย่าไปกังวลดูกับปัจจุบันไปนะเดี๋ยวมันก็เลิกไปเองนะเห็นทุกข์มากๆเข้ามันก็เลิกเองลงมือจเจริญสติมากๆพอมันรู้ว่ามีทางรอดนะั้มันจะเอาตัวรอดแล้วลึกลงไปที่สุดมันยังรักตัวเองอย่างแรงรู้สึกไหมพระโพธิสัตว์นะั้นต้องไปรักตัวเองขนาดนั้นหกสิบนหะ้า กล่ามาสักการ์ค่ะหลวงพ่อก็หนูก็เออก็คอยตำรู้ตามดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้อยากจะกับขอคำแนะนำจากหลวงพ่อเห็นกิเลสบ่อยไหมบ่อยค่ะยิ่งบ่อยยิ่งดีนะเห็นแล้วทำยังไงกับมันก็บางทีมันก็ดูเฉยๆไปได้ไงคะอะไรนะก็ดูแบบดูเฉยๆไปได้ไงคะไม่ได้ได้อ๋อได้ก็ดูเฉยๆไป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 ก็อยากจะขอวิหารธรรมจากหลวงพ่อไปปฏิบัติต่อพี่ยอมอยู่ทำอยู่ตอนนี้ใช้ได้แล้วนะใช้ได้ไปทาต่อเออขอบพระคุณค่ะหนึ่งหนึ่งแปดอยู่ที่ไหนอยู่กลางห้องเออไม่ทราบว่าตอนนี้ที่ปฏิบัติอยู่เป็นยังไงบ้างคะหลวงพอ่อแล้วว่างไงอ่ะเป็นไงอ่ะก็บอกมาซิสภาวะขณะนี้เป็นยังไงตื่นเต้นค่ะเออกดเอาไว้ดูออกไหม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 ไม่หายก็เรืดของมันเนี่ยเราไม่ได้ดูให้มันหายเนี่ยครับเราอย่ากระโดดเข้าไปในจอเท่านั้นแหละอ๋อครับดูอยู่ห่างๆหมดเรื่องนี้มันก็ฉายเรื่องอื่นค่ะผมจนกระทั่งฉายเหลือยุกยุบยิบยิบอยู่กันแล้มันก็ปรุงขึ้นมาแล้วไอ้ที่ที่มันใสใสคล้ายๆคล้ายกับอะไรหุ้มหนังสือนะฮะคล้ายๆกระดาษปฏิหุ้มนังสือค่ะ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 ม, มันเหมือนกับว่ามีความอยากรู้บ้างมีความสงสัยบ้างปนกันครับแล้วมันก็กรูปขําคำอยู่ตรงนั้นนะฮะเออมันมันล่าไม่ได้ตัวนั้นที่ที่หลวงพ่อสอนให้ให้ดูเสียงภาพประธานนะครับผ ม, ผมฝึกอยู่ปีก่อนว่าครับผมเห็นได้แล้วครับอืมเห็นอะไรวันนั้นเห็นเห็นจิตตัวเองเคลื่อนไปเกาะที่มือหลวงพ่อครับอ๋อดีวันที่ผมลดไอ้สงทางหลวงพ่อครับ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 นะแล้วไม่ทราบย่งนี้ประคองอยู่หรือเปล่าคะประคอ ง, คองอแต่ประคองน้อยลงแล้วมันเบาลงรู้สึกไหม <c oughs> ใจมันโปร่งขึ้น <c oughs> ถ้าไม่ประคองเลยใจจะไม่มีน้ําหนัก <c oughs> ตอนนี้ใจยังมีน้ําหนักอยู่ดูออกไหมต้องปล่อยให้หมดใช่ไหมคะก็ออลปล่อยอยังไงคุณหลวงพ่ออย่าจงใจปล่อยแค่รู้ว่าประคองอยู่ค่ะ <c oughs> มันคลายเองบังคับมันไม่ได้หรอกนะยี่สิบเก้าเชิญครั้งที่แล้วซึ่งก็หลายเดือนที่แล้ว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 เวลาเดินนี่มักจะรู้ว่าหลงไปคิดแต่ว่าไม่แน่ใจว่ารู้ถูกรู้ ร, รู้ถูกนะใจมันเริ่มคลายตัวออกมาแล้วรู้สึกไหมมันโปร่งขึ้นครับแต่ยังมีหนักๆ น, น, นิดๆนะครับออนั่นแหละเพราะเราประคองไวนะ้ะที่พอวนากก็ดีนะใช้ได้ครับไปเดินบ่อยๆเดินแล้วก็เห็นใจหลงไปคิดแวบไปคิดแวบไปคิดรู้บ่อยๆ อ, อย่าไปเดินแล้วก็ห้ามมันไม่ให้ไปคิดนะเดินรู้ไม่ใช่เดินบังคับ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 แต่ที่เห็นบ่อยมากที่สุดก็คืออัตราตัวตนดีสิแล้วก็ความไม่เป็นกลางเนี่ยมันเหมือนกับโดนหลอกซ้อนอีกทีหนึ่งก็ว่าบางทีเราคิดว่ามันเป็นกลางแล้วแตจริงมันไม่ใช่มันก็ยังเขวยอยู่ดีละลายกิเลสนะมันจะเก่งขนาดไหนนะมันก็สู้สติปัญญาไม่ได้หรอกคอยตามรู้ค่อยตามดูไปเรื่อยนะวันหนึงก็ชนะของคุณดีขึ้นตั้งเยอะและครับรู้สึกไหมใจเราโปร่งโล่งเบาขึ้นเยอะเลยก็เดี๋ยวนี้บางทีมีความสึกว่า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 ถ้าภาวนาหลายปีไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะทำผิดแน่นอนเลยถ้าภาวนาถูกเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางดีที่เห็นได้ชัดเลยเคยหลงมากๆก็หลงน้อยๆอยนะเคยทุกข์หนักหนักก็ทุกข์น้อยๆยเคยทุกข์นานนานก็ทุกข์สั้นๆนะันอย่างเงี้ยรู้เนื้อรู้ตัวได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเคยนึกว่าเราเป็นคนดีก็ได้เห็นความจริงว่าจริงๆร้ายน้าดูเลยนะเนี่ยดีมากเลยแล้วผมต้องทําสมถะเพิ่มไหมครับสมถะเราก็ทํานะทําพอให้ใจได้พักผ่อนครับ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 เพลงดีๆมีความสุขอีกเพง่งแล้วก็รู้สึกว่ากูเก่งกูบังคับได้นะอยากให้หลวงพอ่อขอการบ้านหลวงพ่อเจ้าค่ะไปดูอีกนะใจของคุณเป็นคนทึ่รวดเร็วรุนแรงนะเพราะฉะนั้นมันขยับเยื่อนเคลื่อนไหวอะไรมันโมโหโทโซอะไรรู้ลูกเดียวเลยะนะดูง่ายดูไม่ยากหรอกเจ้าค่ะเพราะมันเคลื่อนไหวชุบชับชุบชั บ, ชบดูง่ายอา้าวเจ็ดสิบห้าข้างหลังกราบนมัสการครับหลวงพ่อครับ ตลอดระยะเวลาเกือบสองปีที่มากราบหลวงพ่อ<ม>ก็รู้สึกว่าใ<ม>นวันนี้เบาสบายขึ้นเยอะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่มีความรู้สึกว่าความรู้สึก<ม>หรือว่าอารมณ์อะไรมันสั้นลงอื<ม><ม>แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งก็คือความจําหรือว่าเหตุการณ์อะไรที่มันเหมือนถูกตัดไปเร็วอืมจนบางครัง<ม>้งเราไม่ทราบว่า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 เอาเหลือเวลาเล็กน้อยใครต้องการคุยได้อสักคนหนึ่งสี่สิบสองสี่สิบสองเอาคนเดียวพออยู่นู่นสี่สิบสองเดี๋ยวหลวงพ่อต้องไปฟังปฏิโมนะกข์กลับนั บ, บัศการหลวงพ่อค่ะก็ไม่ได้สงการนานมาประมาณสามเดือนแล้วค่ะคืออยากจะถามหลวงพ่อว่ามันคือเมื่อวานนี้ไหว้พระสวดมนต์ค่ะก็นั่ง <ยก S 2> สมาธิอย่างนี้หลวงพ่อนั่งสมาธินะคะเออ การในช่วงสักประมาณ 10- ถึงสิบห้านาทีคืออยากจะถามหลวงพ่อว่าที่ตัวเองเข้าใจคือเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าคือคําว่าจิตรวมนะคะเพราะว่าในช่วงสักสินาทีสามารถที่จะจิตรวมได้4ี่ถึงห้าหครั้งได้ไหมคะได้วินาทีหนึ่งได้หลายครั้งก็ยังได้แต่รวมแป๊บแล้วถอ น, ถอนรวมแล้วก็ถอนใช่ไหม ะ, ค, ะคือแสดงว่าวานที่หนูจิตรวมห้าถึง6ครั้งนี้แสดงว่าคําว่าจิตรวมที่หนูเข้าใจถูกแล้วใช่ไหมคะ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 แสดงว่าจิตรวมหนูเข้าใจถูกใช่ไหมคะพระอาจารย์ทำไมมันไปด้านหน้าด้านหลังน่ะคือมันรวมแบบยังไงพระอาจารย์แบบอาจารย์ไอ้อย่างนั้นไม่ใช่นะนั้นมันผงาดหน้าผงาดหลังไปแล้วไ ม, ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะพรอาจารย<ม>์คือเรารู้สึกตัวนะคะถ้ารู้สึกตัวอยู่นะกายเป็นยังไงไม่สําคัญนะแต่ว่า<ม>ใจเนี่ยมันตัดกระแสการรับรู้ภายนอกมันรวมมารู้ตัวอยู่ภายในใช่ค่ะส่วนร่างกายจะผงาดไงไม่สําคัญสําคัญที่จิตรวมเข้าไปค่ะ แล้วอยากถามพระอาจารย์เรื่องนึงคือดูเหมือนเราสบายใจแต่พอนึกถึงถึงสิ่งที่เราไม่ชอบมันเหมือนคาอยู่ในใจลึกๆนะคะอันนี้มันหาไม่ได้ห้ามไม่ได้นะดูไปด้วยวันที่มันจะหายเนี่ยมันจะรู้เหตุรู้ผลทุกมันดูเหมันจะถอนเลยใช่ไหคะไอ้นี้หายชั่วคราวใช่ไหมคะคือยังคาคานี้ลึกๆเลยค่ะใจมันยังไม่เลิกจริงค่ะกราบขอพระพุทวง์พ่อค่ะ มันมีโมหะก็รู้เนาะเอาเชิญกลับบ้านไป